อ ن น ر นาตินาไ ن ا หลานคุณครุ่ง ا ل วะพ ل ่เ ا ่ ا นา ل ม م เ ا ็มรีนา م าชดาอัลลัฮุหม่ م อัลลัมนาไม่ยุ ا งฟะอุนย الحمد لله ا ل า م ลัมต์นาอัลจิดนาอัลลัมบะ เรามีโอกาสได้มานั่งร่วมกันเป็นแหล่งนัดหมายจุดนัดหมายของพวกเราประจำสัปดาห์ที่จะมาเติมเต็มอิมานของพวกเรามาขัดเอามาซักล้างหัวใจให้สาดอยู่เสมอมาขัด ขัดล้างเหมือนกับเป็นการขัดล้างหัวใจของเราให้บริสุทธิ์จากสิ่งต่างๆที่เราต้องเผชิญในแต่ละวั น, นชีวิตของเรามารู้จักหนทางที่เราจะนำตัวเองให้พ้นจากอุปสรรคต่างๆหรือบททดสอบต่างๆที่เราต้องเผชิญในแต่ละวัน แน่นอนครับว่าพวกเราทุกคนไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงที่จะต้องพบกับบททดสอบจากอัลลอส์ س า ح า ن ه และ ت ع ا ل าเป็นอิรอาดะเป็นความประสงค์จากอัลลอ์ที่ต้องการให้โลกดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่แห่งการทดสอบ ในตัวของเราเองมีจุดอ่อนหลายๆอย่างที่เราเองก็ไม่ชอบและอัลลอลาเองก็ไม่ได้ชอบสิ่งที่เป็นนิสัยแย่ๆของมนุษย์แต่พระองค์ก็ทรงกำหนดไว้แล้วเป็นอิรอดอะเป็นความประสงค์ของอัลลอฮแต่ถ้าอัลลอฮไม่ประสงค์มันก็คงไม่มีใช่ไหมครับ แต่นี่มันมีแสดงว่าเป็นสิ่งที่ล l l a h ประสงค์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกดุรยางี้ต้องได้ผ่านการอนุมัติจากความประสงค์ของล l l a h سبحانه และก็สัตว์ a l l ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ล l l a h เองก็ไม่ทรงชอบไม่ทรงรักมนุษย์ก็ไม่รักมนุษย์ก็ไม่ชอบแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่เป็น เนื้อหาที่เราจะได้พูดกันในวันนี้นอนยัตี่เราได้เกริ่นเอาไว้แล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเราจะมาดูกันว่าอัลลาฮฺต่ลากำลังจะบอกถึงจุดอ่อนของพวกเราเองอย่างไรบางครั้งมนุษย์อย่างเราก็ไม่ใช่ทราบไปซะทุกอย่างเรื่องของตัวเองเรายังไม่ทราบเรายังไม่รู้ซะทั้งหมด นักระษาอะไรกับเรื่องอีกหลายเรื่องที่อยู่นอกความสามารถของเราที่จะเข้าถึงมันมีทางเดียวเท่านั้นที่เราจะรู้นั่นก็คือการฟังจากคนที่รู้จากผู้ที่รู้จากผู้ที่สร้างเราก็คือพระองค์ัลลอฮฺสุบฮานาะสาละเท่านั้นนะครับ s u r a ุลมาอาริจ วันนี้เริ่มตั้งแต่อายะห์ที่สิบห้าเป็นต้นไปนะต่อจากรอบที่แล้วนิดนึงแล้วเราเข้ามาสู่จุดที่เราได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่นี้อายะห์ที่สิบห้านที่สามสิบสองนะครับในในหนังสือหน้าที่สามสิบสองส و ر ุลมาอาริชอายะห์ที่สิบ อ عوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا นั่งแทะลิชว่าทัดงูมันอเ م บารว الْإِنْسَانَ خلقه لوعا إذا مسه ََُّ الشر َّ جزوعا <ص في ق> َ وإذا ِ مسه ََّ الخير ُ منوع َ إلا َّ المصلين ُ الذين َ هم ُ على صلاتهم َِِ داء พี่ หาลาคุณหคํานีคุณไหมครับกัลลคุณไหมฮะมีในสุรอะไรบ้างที่เราท่องกันเราก็เรียนมาแล้วสุรง่ายๆสุร์สั้นที่มีกัลล์จำได้ไหมนะอัลฮคุตคาทรฮะ ถ้าจะรูทุม المقابر คือ سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون ع ل م اليقين كلا สาม ا รั้งในสุรอะตักามันคืออะไรทบทวนหน่อย เวลาอ่านต้องอ่านให้แบบแล้วสำนวนมันก็มาอย่างงั้นอ่ะสุภาพนั่นแห ล, ลภาษาอาหรับเนี่ยจะเป็นภาษาที่แปลกอย่างหนึ่งเสียงของมันเนี่ยมันสอดคล้องกับความรู้สึกอ่ะไมต้องสังเกตไหมกัลละลองเดาดูสิถ้าจำไม่ได้ลองเดาดูสิว่ามันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะกัลละแล้วก็ในสุราอีกสุราหนึ่งที่เราเรียนเหมือนกันสุราตุลฟาจ ฮอาด้หค uh? ัลล่าถ้าดักกที่ ا ดักัดักคัลล่า حرف الزجري ตัวพเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนจะปั่มเป็นการปฏิเสธแบบรุนแรงกัลล่าไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ไม่ไม่เนี่ยนี่คือความรู้สึกหรื อ, อ, อในในเชิงสำนวนของมันเนี่ยมันก็ให้ความรู้สึกอย่างนั้นกันละอละัลลอฮฺตะลากำลังตะเพิดบรรดามุชริกีนบรรดาคนชั่วบรรดาคนที่คิดผิดผิดซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอะไรสัปดาห์ที่แล้วอะ่ะเขาบอกว่า ยวัดผูมุจริม لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه คนชั่วคนที่ต้องเข้านารกเนี่ยคาดหวังว่าพวกเขาจะไถ่ตัวเองกับอะไรกับลูกกับเมียกับพี่น้องกับคนทั้งโลกซึ่งเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลลอลาก็เลยกัลลาเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดมาก มันไปไม่ได้ครับหวังไปเธอหวังกี่พันปีกี่ร้อยปีกี่ครั้งจะเขียนคาร้องยังไงจะอุดทนยังไงจะดีกายังไงกันล่นี่คือความหมายของมันฉะนั้นเวลาที่เราอ่านเนี่ยให้มันมีความรู้สึกอย่างนี้กันลออินนะเราสอบเวลาอ่านเนี่อยอ่านกันอ่านแบบอ่านแบบเหมือนเนอะไรเขาเรียกนุ่มๆนิ่มๆ น, ม น, ม น, มนะให้มัน ให้เราเนี่ยเวลาที่รู้ความหมายเนี่ยมันจะเวลาที่อ่านเรอ่านแล้วรู้ความหมายเนี่ยเราจะจะเข้าถึงความรู้สึกนะครับอินน่าลาซอเป็นไปไม่ได้สิ่งที่พวกเจ้าขอเพราะพวกเจ้ายังไงยังไงก็จะเป็นยังไงยังไงก็นหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าไปในลาซอลาซอคือนารนเตเตเลหบ ไฟที่กำลังลุกชดช่วงเร็วไฟบริสุทธิ์ไฟอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเจือปนไฟร้อยปรเซ็นไฟที่สามารถจะน a า, นาอ t ั n l i s h า w าอเนี้นี่สองสามข้อนี้อัลลอฮตะกลากำลังให้คุณลักษณะหรือกำลังอธิบายให้เราเห็นภาพว่าไฟนรกเนียมัน เป็นลักษณะยังไงหนึ่งลาา้อจอล้ออก็คือไม่ดับแ ต, ต, ต, ต่ตลอตชตลลุกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าพอ ถ, ถึงหมดแรงแล้วดับเผาสักพักหนึ่งหยุดพักเครื่องไม่มีคอลีดีนะพอยู่ในนั้นตลอดการเนี่ยรุกไฟมันลุกอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสักวันหนึ่งที่มันจะดับ เราอุาะะาอา บ, บ, บ, บอุาลาาออ บ, บอุนนนน้บนุาบอุ้บอุ้บอุ้อุ้บอุ้บอุ้บอุ้บอุ้บอุบอุ้บอุ้บนุบอุอบอุ้บอุ้บอุ้บอุ้บอุ้่อุ้บอุนบอุ้บอุ้บอ้บอุ้บอบอุ้บอุ้บอุ้บอ้บอุ้บอุ้บอุ้บอุุ้้บอุ้บอุ้บอุ้บอุ้บนุ้บอุ้บอุ้บอุ้บออุ้บอุ้้อ ลมบางคนบอกว่ามีชั้นหนึ่งที่ชื่อว่าลาฟอรแต่บางท่านก็ว่าไม่ใช่หมายถึงชื่อของของนรกทั้งหมดเลยทุกชั้นเพราะว่าลุกทุกชั้นนะไม่มีนรกชั้นไหนที่ลุกไฟของมันอัลเลฮับอัลคาลิสหมายถึงเป็นเปลวไฟที่บริสุทธิ์จริงๆนะไม่ได้ไม่ใช่แค่ ไม่ใช่มีขี้พึ่งอะถ้าบัณเราใช่ไหมถ้าถ้าเป็นถ้าเป็ น, ถ, ปนถ้าเป็นไฟในโลกดลนยานี่ก็คืออาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่เป็นเท่าที่เป็นทานไม่ๆๆอันนี้เปรย์ของมันเลยอินนะฮะล่าสุดนซาตันลิชชาวะสองคำแต่ฟังแล้วโหวดร้ายมากนซาะมาจากคำว่านซา หมายถึงฉีกไฟฉีกร่างอะดุ น, ยนียนีมีไหมไฟที่ฉีกร่างดุนนี้ไฟมันจะเผาแต่นี่อัละะลอต่้งลัใช้คำว่านาซากระชากดึงถอนฉีก คำ น, นี้คำเดียวมันก็สุดจะบรรยายไฟที่ฉีกไฟที่กระชากลิาชวาวะอาชชาวะมีความหมายที่บรรดานักตัฟซีรพยายามจะอธิบายถ้าดูในตัฟซีรอินดัสซีรเนี่ยอินดัสซียรเอาความเห็นของอุลมามะหลายคนนะครับอย่างเช่นอับดุอาบบะสูจาฮิด แต่อับบาสมุจาฮิดใ น, นความเหน็นหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าอัชชาวะหมายถึงหนังสีสษะไฟที่กระชากหนังสีสันให้หลุดลอนออกไปนี่คือล้อจอรความเห็นหนึ่งของอันบนุอบบาสบางอัลมาฮับอย่างอบูซาลห์ บอกว่ายัางนี้อตราฟิลด์ได้นี้วอรริจไลน์หมายถึงส่วนที่เป็นเอ่อเราเรียกว่าอะไรนะส่วนที่เป็นปลายมือกับเท้าก็คือหลุดนิ้วของเรานี่หลุดเลยนิ้วของมนุษย์นี่จะหลุดเลยอตราฟิลด์ได้นิ้วเทาว้าจะหลุดเลยถ้าโดนไฟนี้โดยรวมแล้วนะครับ สรุปโดยรวมความหมายของคำว่าอัชชาวาเนี่ยอุลามะบางส่วนบอกว่าหมายถึงหนังสีสัตหนังกะโหลกแล้วบางคนก็บอกว่าหมายถึงอวัยวะส่วนปลายของร่างกายอย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นหมายถึงอวัยวะที่ไฟเข้ามาฉีกเข้ามากินแต่ไม่ทำให้ตายทรมานแต่ไม่ตาย เพราะถ้าตายเนี่ยมันสบายเกินไปมันไม่ใช่นรกนรกเนี่ยแลยามูตุฟิฮะวลาววลาดย์ยาที่สุดของที่สุดของการลงโทษคือแบบนี้แหละแลยามูตหมายถึงว่าคนที่อยู่ในนรกเนี่ยจะต้องถูกทรมานลงโทษจากอัลลอฮฺสุบตอลอไม่มีวันตาย ไม่มีสักวินาทีหนึ่งที่จะสบายโดยไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดในนรกลายามูธไม่มีวันตายวาลายฮยาแต่ไม่มีชีวิตหมายความว่าแต่ละชิ้นของการลงโทษนั้นสามารถทำให้เขาตายได้ถ้าหากโดนในโลกดุนยาคือถ้าหากโดนในโลกดุนยาเนี่ยเราอาจจะตายได้ แต่การลงโทษที่ทําให้เราตายในโลกนี้นเนี่ยพอเอาไปลงโทษในวันอาขรัตเนี่ยเราไม่ตายมนุษย์ไม่ตายต้องรับรู้การลงโทษถึงระดับที่ทําให้เราตายได้ตอดอัชาวะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถลกหนังศีรษะออกไปตายไหมไม่ตายเจ็บอยู่อย่างนั้นแหละฉีกร่างออกไปไม่ตายเจ็บปวดอย่างนั้น<อ>พราะมันฉีกออกไปหมดแล้วกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง كلما نضج الجلودهم ب د ل ن ู ه م جلودا غيرها ليذوق العذاب ทุกครั้งที่ผิวหนังเนี่ยสกปัสล่าบอกว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนผิวหนังใหม่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อให้คนที่อยู่ในนรกเนี่ยได้เล้มรดของการอาญาบของนรกจะทันหนำนัก็เป็นได้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่าทำเล่นๆกับนรก ไม่ใช่เรื่องเล่นที่เราจะเอามามาทำหยอกลอ้อหรือถักทางหรือทำเป็นเรื่อง อ, อะไรก็เรียกเหมือนพวกมัชริกีนที่ถักทางท่านนาบีสุลัลละอะไรนะอู๊ดบิลละมันสอะไรนะครับนั่จากเตนลิชัาไม่เพียงแค่นั้นอันนี้คือสภาพที่นรกจะหันนำจะกัดกินร่างของมนุษย์ในวันอาขั์ ไม่เพียงเท่านั้นนะยังมีอีกอ l l a ต t a a l บอกว่าตดูมันอัตบราวะตะวันลนรกเนี่ยมันจะเรียกเรียกใครเรียกคนที่จะต้องเข้าในนรกเนี่ยมันจะเรียกเลยมันไม่ได้อยู่เฉยๆรอคนเข้ามานะมันไปหาเลยในพักพวกของฉัน มาให้หมดไปเรียกมาถึงสถานที่ที่มนุษย์กำลังชุมนุมหรืออารบุลมาชารตอนที่มนุษย์กำลังชุมนุมกันอยู่ในบางท afsir ในบางความหมายที่อุลลัมอธิบานีมันบอกถึงขนาดว่าจะดูมันอะรอับรวะตะละท afsir อินโนกาซิดตั้งบอกว่าอย่างไรน่ากลัวมากนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ ให้น ah <t od ic> ีไย س ا ن a l l a ที่ a l l าแลบอกว่าวลมอันชดุงอีกาเนี่ยอย่างเงี้ย a l ตอเวลาที่พระองค์ลงโทษลงโทษจริงไม่ปล่อยเอ็มโน้แคสบอกว่ายงไงฮีนาระดอิลยอับนฮาลีนลกมุลลอตอลาาวดมอันุมฟิดดารุยาะอมลา ف ัดด้วยห و ่มยามอีลิยา ا ติบลิซานทลกมันจะเรียกด้วยเสียงที่ชัดเจนแจ่มแจ๋วไหนนายคนนี้มาเลยมันรู้แล้วอ่ะเอาละเอาละสอบสวนเสร็จสับเรียบร้อยว่าคนเนี้ยจะต้องเข้านรกมันไปเรียกถึงที่เรียกอย่างเดียวไม่พอสมัชชิตาขต้นหุมบยอลมาฮล้วมันก็จะ เวลาที่เราเห็นทางคบกินมแมลงเคยเห็นไหมในช่องอะไรนะในชา n น l g e o g r a p h i c อะที่เขาเห็นภาพเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฮะตวัดใช่ไหมเตวัดมแมลงนี่คือความหมายของค่าแต่จักทุ่นรกนี่จะไปตวัดจะเข้ากลืนเข้าไปในในท้องของมัน ระหว่างที่นั่งระหว่างที่รอเนี่ยคือไม่รอยมันเข้ามาแล้วมันหรือว่ามันหิวมา ก, มากที่จะกิน Allah Taala สร้างมันม า, มาอย่างงั้นเพราะถ้าไม่สร้างมาอย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าหากสร้างนารกมาแบบมีความเมตตาเนี่ยเรยังไม่ต้องเข้าก่อนดีกวา่าไม่นรกเนี่ย Allah Taala สร้างมาแบบเยี่ยมกระหายไอซูรักกาฟ มันถึงกับบอกอัลลอฮฺสุบบานตะลาบอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมอยากต้องการอีกให้มิมมาซีมีอีกไหมเพิ่มมาอีกเต็มแล้วนะเต็มแล้วเต็มมรกเต็มหมดแล้วมนุษย์ทุกคหมดแล้วแต่นรกก็ยังร้องอีกให้มิมมาซีมีอีกไหมจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบบาตะลาต้องเหยียบด้วยพระบาตทของพระองค์จนกระทั่งท่านบีบอกว่ามีเสียงเหมือนกับเ อ, ออเออขึ้นเอี้ยจริงๆ ไม่เลล้วเเล้วไปเเล้วทำนุเคราะหบเเี่บ้างว่าเค้ม า, ตต า, ม, ามันกินโอะ ม, มีเเบบไหนบ้านานีน่เเล้วํ า, า, นนาลลคือบการที่เราต้องออรู้ก่อนที่เราละในอข้อาุู่านเอง น้ำมีดูอาอัลลอฮฺบันเอตีนาฟิตุนยาฮ์สซานะฮุฟิลอาครัตฮ์ฮัสซานะท้ายที่สุดว่ากีนาาา่น่ะอัลซับบะนาร์ทุกครั้งที่ท่านนาบีสุลต์ละซัลลัมอ่านอายัดต่างๆที่พูดถึงนรกที่พูดถึงการลงโทษมอลล่ า, าท่านจะหยุดแล้วขอดุอิอันนี้เป็นสิ่งที่ซาบะสังเกตแม้กระทั่งในละหมาดโดยเฉพาะในละหมาดที่ไม่ใช่ละหมาดฟารดุละหมาดซุนนะละหมาดเกียมมรมุลเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่านอายัดแบบนี้ท่านจะหยุด หยุดเพื่อขอดูอาให้พ้นจากการลงโทษอ Allah ัลลอฮ์สุลฮานาะซาละเวลาที่เจออายะที่พูดถึงสวรรค์เวลาที่เจออายะที่พูดถึงอะไรนะการตอบแทนที่ดีท่านก็จะหยุดเพื่อที่จะขอดูอาจาอัลลอฮ์สุลฮานาะซานะเราลองเอาไปใช้ด้วยพวกเราเวลาที่อ่านถึงอายะนี้หยุดอัลลอฮ์เมื่อนี้อัลลอฮ์ไมอาจจะนิมินันัลลอฮ์ไมอาจจะนิมินั่นนะนี่เป็นสุนะประการหนึ่งที่เราสามารถจะทาได้เลยเวลาที่เราอ่านอัลกุรอาน มันอัจบาระวะทวัลนรกเนยจะเรียกหรือจะแลบหรือจะตวัดคนพวกไหนอัจบรคนที่หันหลังหมายถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานาอูตะลาละทวัลล์ใน تفسير อัลบุอาอิมมันคดบับด้วยหัวใจและทัล เจ้าวารีเียหมายถึงคนที่ปฏิเสธด้วยหัวใจของพวกเขาและละทิ้งการปฏิบัติอรมรูต่างๆด้วยร่างกายและอวัยวะของพวกเขาคนที่เป็นผู้ศรัทธาการศรัทธาที่สมบูรณ์จริงๆจะต้องรวมกันระหว่างความรู้สึกทางใจกับภาคปฏิบัติทางกายอันนี้คือความศรัทธาใครก็ตามที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธา แล้วมีความรู้สึกว่าพอเพียงกับความรู้สึกใน ห, หัวใจอย่างเดียวยังไม่ใช่มุสลิมที่แท้จริงเราสามารถพูดได้ ฉ, ฉ, ฉ, ดไดฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นลูกอคนมุสลิมฉันอยู่ในชุมชนมุสลิมใครๆก็พูดได้บันคนถือบัตรโชว์บัตรเนี่ยฉันเป็นมุสลิมแต่ดูผ้าผ้าลองดูพฤติกรรมไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ไม่ใช่อันนี้ต้องเข้าใจเลสลีมานบิดเมันนี่เวลาบิดถฮัลลีอัลฮัสซันอัลบาซรีบอกว่า การบอกว่าการที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธานั้นไม่ใช่ด้วยการตกแต่งตกแต่งยังไงไม่ใช่ด้วยการคาดหวังด้วยความรู้สึกเพียวๆไม่ใช่หรือตกแต่งตกแต่งก็คือใส่ชุดใส่หมวกวันอีด ท, ที่รายก็ใส่ชุดอิสลามสักครั้งวันอื่นใส่ชุดอื่นบางทีวันอื่นนี่แยกไม่ออกเลยมุสลิมหรือมุสลิม อ, อะไรหรือเปล่าแต่พอวันอีทเอาใส่สักวันหนึ่งหรือเวลาแต่งงานวันแต่งงานใส่ชุดอิสลาม จะให้รู้ว่านี่คู่บ่าวสาวเป็นมุสลิมนะพอแต่งงานจบปุ๊บ ก, ก็กลับไปเหมือนเดิมอีกอันนี้เขาเรียกว่าอัลอีมานบิดทะเลเป็นมุมินแบบแต่ตงตัวแต่งกายไม่ใช่ลคอนอมานมาว่ากรฟิลกับแต่ว่าอีมานก็คือสิ่งที่มันลึกอยู่ในใจจริงๆมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกอะ่ะอีมานนี่มันต้องอยู่ในใจแบบลึกฝังรากลึก และก็ต้องขยายออกมาเป็นพฤติกรรมวาซาดะกหุลอัมร์ต้องแสดงออกด้วยการแสดงตนปฏิบัติตนเป็นมุกมินจริงต้องรวมกันนะครับระหว่างอันดุลกลกับอัมลุญเจวะนะระหว่างความรู้สึกในใจแล้วก็การปฏิบัติออกมาให้เห็นด้วยอวัยวะจริงๆ ร, รวมถึงการพูดด้วยนะครับ อ, อัลีมันก็ตัศตีกุล บลกล อ, อะไรอีกการยอมรับด้วยหัวใจการพูดออกมาด้วยปากด้วยลิ้นยอมรับด้วยคำพูดแล้วก็การสแสดงออกด้วยพฤติกรรเพราะฉะนั้นมันอัจบะระวัจวัลละหมายถึงคนที่ปฏิเสธด้วยหัวใจแล้วข้างนอกก็มองไม่เห็นว่าเขานั้นยอมรับอัลลอฮสุภาอาาลัลลสรุปโดยรวมก็คือดาคนที่ไม่ศรัทาตอ a نعوذ ับอัลลอฮ์เหมือนเดิลาอิลลอฮลลอ الله ص ل ّ الله علیه و ل ہ لا إ ل ّ إل الله وجمع فأوعىأ เนี้เป็นอายัดหนึ่งที่ผมนั่งคิดอยู่ سبحان อัลลอฮ์ทำไมต้องมีอายัดนี้ด้วยคนชั่วเนี่ยทาไมมันต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินแลวก็สมบัติน้องสังเกตไหม โดยปกติส่วนใหญ่แล้วคนที่ชั่วมากๆเนี่ยจะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องความละโมบเรื่องการข้อชั้นเรื่องการยักยอกเรื่องการซาเล็มคนอื่นในทรัพย์สินทำไมอ่ะส่วนใหญ่แล้วคนที่ชั่วๆนี่จะต้องมีเรื่องทรัพย์สมบัตินี่เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในจำนวนคุณลักษณะของคนที่จะต้องเข้านรกก็คือว่าเจา คนที่เก็บสะสมสมบัติเอาไว้ยังเยอะมากแล้วก็ไม่ใช้จ่ายตามสิทธิตามหน้าที่ที่เขาควรจะต้องจ่ายออกไปุบา ا นัลล a h เกือลายสุราเลยที่เราเจอแบบนี้วะจมะอคืออยากจะให้พี่น้องได้สังเกตพร้อมๆกัน สังเกตอายัดนี้มาจะดับบทอายัดนี้พร้อมๆกันนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ทั้งหมดนะผมไม่กล้าบอกว่าทั้งหมดหรือฟันพงว่าร้อยเซ็นของคนที่เป็นพวกอาชญากรหรือพวกที่ชั่วโฉดชั่วทั้งหลายนี่จะต้องเกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคนรวยที่แบบรวยแบบรวยมากๆแล้วทําไมมันต้องจิตใจมันถึงอาลสุบิลลาฮิมิลานี่เป็นลัฟแต เป็นการที่อัลกุรอานอธิบายแบบมันจะบอกว่าอ้อมก็ไม่ไม่อ้อมมันตรงเลยนะคนชั่ว ج มาเาออเราเคยเรียนนสุราหนึ่งไวลุลิคุลิมมาซติลุมาซอัลลซีอาลันวกดะนี่ก็คนชั่วเหมือนกันหนึ่งในลักษณะองคนชั่วในสุราอัลุมาซก็คือเก็บเก็บสมบัติเอาไว้เหมือนกันไม่ยอมใช้ใจในทางของร่ละอ แล้วในอายัที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กกาพร้าไวรุนไม่ใช่รอไอ้ทัลลซีอยู่แคบบิดดีนฟะดลิกลัฎียดอุลีตีนวะลาฮุดะลามิลมิสกีชื่อแม่ไวรุน ل ل ي ن ي ن هم عن ص ل ا ت ه ون ا ه ا ل م يراون و ي ن ع و แม้กระทั่งจะาห้ขอใช้ของยืมกับคนอื่นก็ยังข้เหนยว สุขานอัลลอฮ์อันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่ากลัววาเจมะอฟะอวะเป็นหนึ่งในคุณลักษณะของคนที่ปฏิเ Allah, สธอัลลอฮ์สุขานอัละอฮ์เก็บสะสมเยอะมากแล้วไม่ยอมใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์สุขาลลไม่ยอมใช้ใจยอย่างเดียวยังไม่เท่าไหร่ไปเลิเมิดสิทธิของคนอื่นไปยักยอกสิทธิของคนอื่นไปเบีดเบียนคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่เราเห็น แล้วมันไม่น่ามันไม่น่าจะมีในโลกอันศีวิไลในปัจจุบันของเราถ้าเราจะบอกว่าโลกนี้นี่เป็นโลกที่มันเจริญมากแล้วทำไมไอ้นิสัยพวกนี้มันยังอยู่กับเรามนุษย์ไม่ได้พัฒนาเลยหรือสมัยฟิราห์อัชั่วขนาดไหนกอรูนเป็นตัวอย่างที่โฉดชั่วขนาดไหนพวกเกาของอาดพวกเกาอาดกองสมูท พวกที่เคยถูกทำลายไปทั้งในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเนี่ยซึ่งเราทุกคนมนุษย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความชั่วร้ายต่างๆพวกเนี้ยนิสัย ช, ชั่วต่างๆพวกนี้ทําไมอ่ะไอ้นิสัยพวกนี้มันจึงยังมีอยู่ในโลกที่เราทุกคนใช้แท็บเล็ตใช้ iPhone ใช้ MacBo ๊กโปรใช้อะไรต่างๆนานาที่มันเป็นเครื่องมือที่แสดงออกถึงความศียวินัยของมนุษย์แต่ทําไมนิสัยพวกนี้มันจึงยังมีอยู่ในโลกแบบเรา แสดงว่าใจของมนุษย์ยังไม่ได้พัฒนาเลยอย่างอื่นพัฒนาหมดแต่หัวใจยังคงเหมือนเดิม س ب ح จะ ا ะฟ ه و อ م อ ف เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะว่าทำไมคนชั่วจึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับพวกเงินพวกสมบัติบางทีเราอาจจะต้องต้องกำจัดจุดอ่อนในเรื่องเหล่านี้ด้วยหรือต้องระวังตัวเองในเรื่องเหล่านี้ ถ้าหัวใจของเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันยึดติดหรือมันมันมันมันโดนเกาะกินกับเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของสมบัติจนเยอะเกินไปจนเราแบบแทบจะแบบยอมไม่ได้เลยกับเรื่องพวงนี้ระหะวังให้ดีเราะวังว่าจะเป็นเสี้ยวหนึ่งของคุณลักษณะของคนที่อัลลอฮฺสุบตลอนะครับจะลงโทษพวกเขาในวันอนัครา อ่า وفي قوله سبحانه وتعالى ที่อว่าว oh, ่จม عة ฟักข้านึ่งเก็บสะสมรวบรวมนะรวบรวมนี่หมายถึงว่าแสดงออกถึงความละโมบวา عة إشاراتن إ ل ل ح ر ا ل ط م ع นะเป็นการบอกถึงความละโมบนี่ยแฝอแรวบรวมมาแล้วเนี่ยเอามาเก็บเอามาเก็บเอาไว้ในคลังเอามาเก็บเอาไว้ในเซฟ ไม่ยอมชยใช้จ่ายไม่ยอมใจสักการไม่ยอมเอาไปสนับก็ในหนทางของล l l a h จุมอลออิชาระตุนอิลับุคลิฮวะตูลอมลิฮการที่เราเก็บสะสมสมบัติเยอะๆเนี่ยสแสดงว่ามันสแสดงออกถึงความตรณีที่เหนียวของเราแล ะ, สะแสดงออกถึงความที่เรานั้นเขาเรียกว่าตูลุลอามัลตูลุลอามัลเนี่ยวังลมๆแรงๆแบบยาวนานนึกว่าตัวเองจะมีชีวิตอยู่ นี่รันดอนในโลกดวนี้นุบิละฮ์มินลิกลาอิลาฮ์อิลลอห์สอฟรุลลอฮ์ตบิลลฮ์ลาอิลาฮอิลลอห์ลาอิลาฮ์อิลลอห์สอบฟุรุลลอฮ์อัตุบิลละฮ์สอบฟุรุลลอฮ์อัตุบิลฮ์ถ้าอัลกุรอานไม่บอกอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ตัวหรือเปล่านขณะอัลกุรอานบอกแล้วแต่เราก็ยังหลงหลงลืมลือหลงลืมกับตัวเองยัต่อไป ตอกย้ำํำวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะจะโดนอายัดแบบหนักๆทั้ง น, นั้นเลยทนฟังสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่ามันกําลังแฉตัวเองแฉตัวเองเนี่ยเรารู้จักตัวเองเพื่อที่จะกําจัดจุดอ่อนออกจากตัวเองอายัดต่อไปเนี่ชัดเจนมากมีเวลาอีกสีนาทีนะดูว่าลัทธิจะพูดถึงเราอย่างไงแล้วมันเป็นจริงอย่างที่ลัทธิเราพูดไปมนะ อินน ول ัลอินซานะ خلق ฮาลูอา أستوضر الله وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله อินนัลอินซานแท้จริงแล้วมนุษย์นั้นอัลอินซานก็คือมนุษย์มนุษย์ทุกคนไม่เกี่ยวมุสลิมไม่ใช่มุสลิมผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ศรัทธา خلق ฮาลูอาถูกสร้างมาในสภาพที่เป็นพวกที่ฮลู อะไรคือฮาลูไม่แปลเพราะมันเป็นคําศัพท์ของอัลกุรอานไม่แปลเนี่ยจะได้ความหมายที่ที่ลึกซึ้งกว่าไม่แปลเพราะอะไรเพราะอัลกุรอานจะอธิบายหลังจากอายัดนี้ฮาลู่เนอัลกุรอานอธิบายเองว่าหมายถึงอะไรนะความหมายในเชิงภาษาเนี่ยมันมีแต่ความหมายที่อัลกุรอานต้องการนี่คืออะไรเนี่ยอัลกุรอานเป็นผู้อธิบายเองอิดะมัซซัฮุชาร ยาซูอานี่คือความหมายของคำว่าฮัลูถ้ามาสั่งชั่เมื่อมนุษย์เจอกับความชีวิตด้านลบอัอชชั่ก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเราไม่ชอบเป็นโรคร้ายก็ดีความยากจนก็ ด, หาากกดหีหน้าตาขี้เร่ก็ดีชอบไหมหน้าตาขี้เร่ไม่ชอบแต่ละคนก็อยากจะรอ อ่ะออีกปัญหาทุกปัญหาที่เราเจอในโลกความเป็นจริงทุกวันนี้ทุกอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยรวมอยู่ในคำว่าอัชชรเวลาที่มนุษย์เจอกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยจะู่อ่าจะู่จะู่ะะหมายถึงอัลเขา ما ما ا ان س ان. س ل أ أ أ م ด ا ์บ like <laughs> ิชร์มันว่ามามุรดุ์บิชร์มาอย่ ر ชมลุ่นฟัคร์วัลมาด์ว่าที่นี้ที่นี่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นท่นที่นั่นทม่นี่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่่นั่นที่นี่ที่นันที่นีาที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่ที่นั่นที่นี่่นั่นที่นี่ี่ เขาบอกว่าอีกสองปีใช่ไหมพวกจบเป็น ญ, ญาตรีจะไม่มีงานทำใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรากลัวไว้ละโอ้ตายแล้วนะครับนี่คือยาซูกลัวไว้ก่อนยาซูอ่ะโอยวายีโพจีพายกระวนกระวายเหมือนกับว่าโลกดุนยาทั้งโลกเนี่ยเราจะละไม่เมตตาแล้วนะจะตายพรุ่งนี้แล้วอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ไม่นึกถึงอะอ แล Allah ้วัดัรัลลอฮฺ سبحانه وتعالى. หมายถึงม่ชมลลนะวัสะว่าลมจะเป็นความรํารวยการที่เรามีสุขภาพดีทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์เนี่ยอยู่ในคำว่าลค k h ยรม manua เวลาที่มนุษย์เจอสิ่งดีๆเขาเป็นยังไงมนูอ a หมายถึง เป็นพวกที่เก็บเก็บเอาไว้กับตัวเองไม่ยอมทำไม่ยอมใช้ใจ่ายไม่ยอมบริจาคไม่ยอมใช้ไม่ยอมทำหน้าที่ของตัวเองตามสิทธินะที่เราจะต้องจะต้องออกออกไปอันันหมายถึงว่าปิดกั้นมีเงินไม่ยอมใช้มีสุขภาพดีนะไม่ยอมใช้แรง อัลลอฮฺสุลตานอตาละมีความรู้ไม่ยอมถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นมีความคิดไม่ยอมทํางานอยู่เฉยๆเป็นพวกที่ธรรมดาธรรมดาชิวๆไม่ยอมใช้สิทธิที่อัลลอฮฺละให้มือกับเขาไม่ยอมใช้สิทธิที่อัลลอฮฺละใช้ตากับเขาไม่ยอมใช้สิทธิที่อัลลอะฺลใช้หูกับในการสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นให้กับศาสนาของอัลลอฮฺสุลตานอตาละ หรือถ้าจะสรุปแบบที่เราเข้าใจกันง่ายๆก็คือเวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเราตีโพยตีพะเวลาที่เราเจอเรื่องดีๆเรากลับลืมเนื้อหมเที่อลัลลอฮประทานมาให้กับเราทุกอย่างเราเป็นคนขวนขวายมาเองซึ่งเป็นเรื่องที่เราเคยพูดมาหลายครั้งนะครับว่ามุสลินจะไม่เป็นอย่างนั้นคนที่เป็นมุมลินจะไม่ใช่คนแบบนี้ อาจจบันลี่ยมริลุมกมินนะคนที่เป็นโมกมินเวลาที่เขาเรื่องที่ดีเขาทำยังไง hey, ต้องชุกโกรธล่อ Allah Subhanahu Taala แสดงออกด้วยการขอบคุณไม่ว่าจะเป็นการชุโกโรด้วยหัวใจด้วยคําพูดและด้วยพฤติกรรมการกระทําการทําดีก็เป็นการชุกโกรนะการทําดีตอบแทนการทําดีต่อ Allah s า b h a n a h u Taala ทำดีต่อตัวเองทําดีต่อครอบครัวทําดีต่อสังคมทําดีต่อศาสนาคือตัวแทนแสดงออกถึงการที่เราชุกโกรต่อ นื้หมัดของลอสุภานราตวะนี่คนที่เป็นมุสลิมแล้วเวลาที่เขาเจอเรื่องไม่ดีเขาจะต้องอดทนไม่ใช่ตีโพที่พ่ายโทษนะอัลลอฮ์น้องสุภินแหละเหมือนที่ถ้าเป็นภาษาของคนที่ไม่ศรัทธาต่อลอสุาลาราตระก็คือปดฟ้าดินสําหรับมุสลิมก็คือคนที่โทษอัลลอฮ์นะคนที่บอกว่าอัลลอฮ์ทำไมไม่รักฉันเหมือนกันเลยในสุรตุลฟัด ท, ที่เราเรียนอะไรนะสุรตุลฟัดอะ ที่เราเรียนที่ว่าละเวลาที่เจอความดีแล้วอะยันอะไรแล้วที่ล่าสักราบอกว่าสุรัตุลฟัจจะจำได้ سبحان Allah ไม่มีใครจาได้เลย แต่พอพูดแล้วจะจำนะครับพอพูดแล้วจะจำบางทีพอจะเอาแบบดวนๆมันไม่จำใช่น فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أ ك ر م وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أ ح ا ن เป็นสภาพของคนที่ไม่ศรัทธาตลอเป็นสภาพของคนที่มี ความศรัทาของเขามีความบกพร่องเวลาที่เจอเรื่องดีๆโอ้อันนี้เป็นผลงานของฉันอันนี้เป็นสิ่งที่โดยที่ไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นสิ่งเจ้าละตลาประทานมาให้กับเขาแต่อย่างใดเลยไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์เลยในขณะเดียวกันเวลาที่เขาเจอกับเรื่องที่ไม่ดีเขาก็จะโทษอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตลาละทำไมต้องทํากับฉันอย่างนั้นทำไมทําไมคนอื่นไม่เป็นอย่างฉันทําไมมีเยอะแยะไปหมดเลยไม่เคยโทษตัวเองว่าทําไมตัวเองบกพร่องกับอัลลอฮ์ทำไมตัวเองทํามักเสียต่ออัลลอฮ์ سبحانه นี่คือสภาพที่อัลลอฮสุบบะฮตาลาสร้างมนุษย์มาเราหนีไม่พ้นสภาพนี้อินนัลอินซานะคุลิกะฮลูะนิสัยอย่างนี้นิถามว่าอัลลอฮตาลาชอบไหมัอฮตาลาไม่ชอบแล้วพระองค์สร้างมาทำไมในเมื่ออัลลอฮตาลาไม่ชอบใสแบบนี้ในตัวมนุษย์ทำไมอัลลอฮตาลาต้องสร้างมา หรือเกิดมันได้ยังไงแน่นอนนะครับว่าทุกสิ่งที่ถูกสร้างมาหรือทุกสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นความประสงค์ของลอสุภาตาลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนิสัยอย่างนี้เนี่ยก็เป็นความประสงค์ขอ ง, Allah, าาางะะยอยัลลอ์แต่เป็นความประสงค์ที่เราเรียกว่าอิรอเดตุเกาเนียเป็นความประสงค์เชิงกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติที่อัลลอฮ์ตาลละกาหนดมาให้เกิดขึ้น กับมักลูของพระองค์ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อาัลลอฮฺไม่ชอบก็ตามแต่มันเป็นบททดสอบที่อัลลอาลาต้องการทดสอบเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนวิชาอัคเดะเรื่องความประสงค์ของขอัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทหนึ่งสิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ประเภทที่หนึ่งเราเรียกว่าอิรอเดชนในวิชาอะคเดะ อิราเดชนเกวนิยความประสงค์เชิงกฎเกณฑ์ในการสร้างเป็นกฎธรรมชาติที่เราตลาดสร้างมาคนหิวก็ต้องกินข้าวคนป่วยก็ต้องไปไปหายารักษาคนที่มีนิสัยอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีที่จะกำจัดนิสัยนี้ให้ออกไปจากตัวของเขาเองซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความประสงค์ที่เราเรียกว่า อิรัดชนชั่รัยยะความประสงค์ในเชิงบทบัญญัติเชิงบทบัญญัติเนี่ยอัลลอฮฺตัลลอต้องการให้เราเป็นคนที่ไม่ขี้เหนียวเป็นคนที่ชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตะอัลลออันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักเวลาที่เราเจอเรื่องดีๆเราชูกรต่อพระองค์อัลตล์ต้องการอย่างนี้อัลล์รักคนแบบนี้ เวลาที่เราเจอเรื่องไม่ดีเราต้องอดทนอัลลอลาต้องการให้เราเป็นอย่างนี้นี่คือบทบัญญัติของอัลลอสุบฮานตาลาเพราะฉะนั้นอริร ا ตนเกนีเป็นเรื่องหนึ่งอิรชย์ยอีกเรื่องหนึ่งอิรดนชัย์ทุกอย่างเป็นสิ่งที่อัลอลอตาลารักหมดในขณะที่อริร ا ตุนเก้านีมันเกิดขึ้นด้วยความประสงค์ของขอัลลอตาลาก็จริงแต่ไม่จาเป็นว่าอัลลอฮฺต้าลาชอบหรือรัก ความประสงค we well. mm ์ที่อัลลอลฺกาหนดให้มันเกิดขึ้นอย่างงนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราป่วยเวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราจนเวลาที่เราสอบไม่ได้เวลาที่เราเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกแย่ๆเป็นความประสงค์ของ Allah s u b h a n a t a a ที่เป็น إرادتٌ كونيّ เมื่อเราเจอกับ إرادتٌ ك و ن ي ทางออกของมันก็คือเราต้องไปหาว่า อีรอไดตจน Sharia สิ่งที่อัลลอต้าลาต้องการให้เราใช้เพื่อเป็นทางออกสำหรับความรู้สึกแย่ๆนะนั้นคืออะไรเข้าใจไหมครับหนึ่งในจำนวนความประสงค์ที่อัลลอต้าลาต้องการให้มันเกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือการที่มีคนไม่ศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นมาจากความประสงค์ของอัอาลลอฮานั่นแหละ แต่ละตาลรักไหมคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์ไม่รักเพราะฉะนั้นทางออกของมันก็คือคนที่ไม่ศรัทธาก็ต้องศรัทธาต่อล l ะ a h เพราะการศรัทธาต่อล l l a h เป็นความประสงค์อะไร Sharia ละตาลบัญญัติมนุษทุกคนต้องอีมานต่อฉันดังนั้นคนที่ไม่ศรัทธาต่อ a l เขาจะต้องหาทางเพื่อให้เป็นผู้ศรัทธาให้ได้ หรือถ้าเราเป็นมุสลิมมุสลิมแบบธรมธรมดาธรรมดามุสลิมที่ไม่เอาใจใส่ศาสนามันเกิดขึ้นภายใต้ความประสงค์ของละตอลลาเช่นเดียวกันแต่ละตัลลาไม่รักแบบนี้เราก็ต้องหาความประสงค์ที่อละตัลลารักในเมื่อเราเป็นมุสลิมที่ไม่เอาไหนเราก็จะต้องปับตัวไปหาความรู้ไปฝึกฝนตัวเองไปตัดเบี้ยตัวเองเพื่อให้เป็นมุสลิมที่เอาสาระในเรื่องศาสนาได้ เรจะไปอ้างกับอัลลอฮฺวาอูอุตะอัลานวันอาคคีรัดไม่ได้นะครับเหมือนกับคนบางกลุ่มที่จะไปอ้างกับอัลลอฮฺวาอูอุตะอัลลาว่าเอา้าก็ลาตะลาสร้างมาเป็นคนคาเฟ่ตอย่างเงี้ยแล้วพระองค์จะจะจะเอาไปลงโทษได้ยังไงไม่มีวันอัคคีรัดคุณไปอ้างอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าความประสงค์ของอัลลอฮ์มีสองแบบอย่างที่เรารู้ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้หวังว่าคงจะไม่งงนะแบบที่บางทีรู้ เก็บเอาไว้ถ้างงนิดๆเอากลับไปทบทวนใหม่แล้วจะไม่งงทีบางทีตอนนี้เนี่ยอาจจะงงหน่อยๆไม่เป็นไรรู้ไว้ก่อนแล้วเก็บเอาไว้ไหนคือมันเป็นเรื่องปกติผมเองตอนที่เรียนใหม่ๆก็รู้สึกอย่างนั้นอะไรวะอะไรนะอิรอดะอะไรนะคือยังต้องย้ำอยู่อะอะไรนะอิโรดะอะไรนะอิโรดะอะไรนะมันเป็นปกติครับความรู้นี่ต้องมีการทบทวนแต่ถ้าไม่ทบทวนเนีย่ยเราจะไม่เข้าใจ นะต้องไม่ต้องไปทบทวนกับตัวเองต้องไปทบทวนกับเพื่อนหรือถ้าไม่เข้าใจจริงๆถามอีกนะถามครูถามคนนูน้นถามคนนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจอย่า ง, ทางแท้เวลาใดที่เราเข้าใจมันอย่างของแท้แล้วเนี่ยมันอธิบายไม่ถูกว่ารู้สึกดีขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นฝากอเอาไว้ด้วยบางทีผมกลัวโดนข้อหาโดนข้อหายัางไงว่าสอนแต่กลัอ่านอย่างเดียวไม่สอนอักดาเลยนี่ไงอักดา สอนเลยอัคเคาดที่เอามาจากอัลกุรอานนะไม่ใช่เอาอัคเคาดที่เอามาจากกอไผ่ที่ไหนหรือปลูกจอมปลูกที่ไหนไม่ใช่เอาอัคเคาดที่เอามาจากอัลลอฮ์และข้ารับสั่งของอัลลอฮ์เวลาที่เราเรียนอัลกุรอานเราต้องการให้เกิดพฤติกรรมผลกระทบในภาคปฏิบัติเราไม่ได้เรียนอัคเคาดเพื่อเอามาประดับความรู้และก็สมองเฉยๆแต่ต้องเป็นอัคดคาดที่ถูกแปล เป็นการกระทำให้ได้ใครก็ตามที่เรียนอะกิดนะแล้วไม่สามารถเอาอะกิดะที่ตัวเองเรียนออกไปใช้ในชีวิตจริงเรียนทําไมเรียนทำไ ม, ำไมอัลอีมานเอาโนวัวอัมลความศรัทธาก็คือคําพูดและก็การปฏิบัติถ้าคุณเรียนเพื่อเอาไปพูดกับคนอื่นอย่างเดียวเพื่อเอาไปทะเลาะกับคนอื่นอย่างเดียวเพื่อเอาไปอวดไปแบ่งไปแบ่งกับคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้เกิดกิจกรรมในการปฏิบัติ ยังไม่ใช่นะครับต้องเรียนให้เกิดการปฏิบัติให้ได้ทุกอย่างอเราเรีเรยนเราเรียนเรื่องสีฟ้าของ a l ะ a h เราเรียนเรื่องพระนามของ a l ะ a h เรียนพระนามของล l l a h ชื่อของล l l a h สมบัติเราก็ต้องเกิดภาคปฏิบัติ ด, ด้วยที่เคยสอนไปแล้วหลายคา้าบตบเสดหลายบทยาอายุยากระยุมยาละเมอยาลหนทุกอย่างจะต้องเกิดเป็นภาคปฏิบัติ ทั้งหมดนั้นเป็นอักดีดั้งหมดเลยคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวดนั้นคุณกําลังเรียนอักดีดั้งแบบที่เอาคนอ่านต้องการให้คุณเรียนและต้องการให้คุณปฏิบัติจากจากอักดีดั้งแบบนี้มันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตนะใช้ชีวิตจริงๆการปรับการดํารงชีวิตของเราให้อยู่กับอัลลอฮฺสุบะอัตตาลาจริงๆเพราะว่าเราเห็นคนที่เรียนอักดีดั้งหลายคนพฤติกรรมเหมือนกับคนที่ไม่เรียนหนังสืออย่างนี้นี่มันใช่ไหม อย่าลืมนะครับว่าในฮะดิษบทเดิมที่ท่านนบีสุลอสลลตรอัลลวลลมบอกว่าคนที่ทำผิดและยนนีฮียนีวะฮุมุมินคนที่ทำผิดประเวณีตอนที่เขาทำผิดประเวณีแสดงว่าอีมานของเขาไม่ได้อยู่ในหัวใจแสดงว่าบางทีคนที่มีอีมานก็อาจจะทำผิดได้ถ้าสมมุติ อีมานไม่ได้อยู่ในหัวใจของเขาตอนนั้นเป็นคนมีอาคิดะไหมมีอาคิดะเอา้าแล้วทําไมไปทําผิดซีนะเพราะอะไรเพราะอาคิดะไม่ได้ส่งผลให้หัวใจของเขาเนี่ยเลิกจากนเสยาบนาอุสบิลละฮ์มันแทบไปดูให้ดีถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีอาคิดะขค่นคนมีอาคิดะแบบอะไรนะฮะ แบบพักคอแล้นะแต่พฤติกรรมเนี่ยมาะเสียดยังเต็มเต็มตาเต็มหูเต็มปากอะระวังให้ดีบางทีมันอาจจะไม่ใช่อัคคีดาที่อยู่ในหัวใจอัคคีดาที่ลอยอยูอลอยอยู่ฮะดิษบางฮะดิษบอกว่าเหมือนกับว่าอ ي م ا ن ของเขาเนี่ยลอยอยู่บนหัวเหมือนกับก้อนเมฆหลุดออกมาจากหัวใจได้เอาสุเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีตัวชีวัด นะเรียนอักขเดชมันจะต้องมีตัวชี้วัดว่าคนที่เรียนอักขเดอย่างถูกต้องบริสุทธิ์เนี่ยตัวชี้วัดของมันก็คือต้องเป็นคนที่ทิ้งบาปเรียนอักดเด์แล้วยังทำบาปโอ้เสียวเสีย ว, วจะไม่ใช่เราจะทำยังไงให้เราเรียนอคกดเด์แล้วมันผลักดันให้เราป้องกันตัวเองจากการทำบาปโดยเฉพาะบาปใหญ่ๆบาปหนัก บาปที่เกี่ยวข้องกับหัวใจบาปที่บาปที่เกี่ยวข้องกับหัวใจบางทีคนอื่นไม่เห็นแต่เรารู้อะไรคือบาปที่เกี่ยวข้องกับหัวใจการอิจฉาริษยาการเครียดแค้นการไอพวกนี ogen, ้ gate. บาปที่เกี่ยวข้องกับปากกับลิ้นของเราเที่ยวด่าทอคนอื่นเที่ยวว่าคนอื่นเที่ยวดินทาคนอื่นและบาปที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางกายของเรา มือของเรายัางทําบาปอยู่อัลลอฮุบิลลัฮ์มินซาลิกแสดงว่าต้องทบทวนต้องดูว่าอะไกดะที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอะไกดะแบบไหนอะไกดะที่ช่วยให้เราเป็นมุมินทั้งใจทั้งใจทั้งวาจาหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงแค่อะไกดะที่เราเรียนเพื่ความสะใจเพื่อเอาไปอะไรกับคนอื่นอย่างเนี้ยมันมันมันมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอัลลอฮุตาลาล ครับผมเองก็ไม่กล้าที่จ ะ, ะจะไปมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาหุกลมตัวเราเองหรือไปเไปหกกลมคนอื่นหรอกกลมเราเราดูแลรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองเนี่ยดีที่สุดนะรับผิดชอบตัวเราเองก่อนให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของคนอื่นรับผิดชอบเฉพาะที่ a ั l a h s u b h a n a h อ l อนุญาตให้เรารับผิดชอบนั่นก็คือการนาสัสฮัตการตักเตือน การขออุอาให้ถ้าเกินไปกว่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราละอินอาไลกะอิละเบล่าหน้าที่ของเจ้ายะรุสุลลลอฮขณะท่านรัดุเนี่ยหลายๆก็กำหนดหน้าที่ของเจ้าก็คือบอกให้ชัดหลังจากนั้นจะรับหรือไม่รับไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าวะจุรหุมฮะจรันจามีละวะจัดิลหุมบิลเลติยาอัพซัล แม้กระทั่งอายัดนี้ที่บอกว่จาดิลอมบินละทีอาฮซันจงตอบโต้เขาด้วยดีหมายถึงว่าพอบอกเสร็จแล้วก็จบไม่ต้องว่าไม่ต้องนินทาไม่ต้องตามซ้าเติมจนกระทั่งเหมือนกับว่าจะเหยียบให้อีกฝ่ายหนึงจงไปกับดินต่อหน้าต่อตาอัลลอฮฺอัลลอฮฺเราตระลามุสลิมสัลลัลลอฮฺอานบิอมมมดอลอฮัลลุบฮานะรบกอบิลิตมายิฟนะ سلام ุนอัลลุสลินอัลฮัมดุลิลลฮรบบิอลามี